สิกขาบทที่หภพิกษุนีผู้อันสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าท่านอยาบวตให้กุลธิดาเลยรับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบ่นว่าต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบ่นว่าแล้วต้องอาบัตปาจิตตี